ฉันเป็นแบบนั้นก็ไม่ดีเป็นแบบนี้ก็ไม่ดีเมือ่อไรเธอพอสักทีละเธอจะทำอะไรก็ผิดไปหมดมันเธอเป็นควีนฉันเป็นก็บอดเล่าของฉันมันเธอกับนดเจ็จริงเลยเป็นไงละเธอ้ดาก็ทิ้งมา ช่วงมาคืนเราหมุนหมุนไม่มีแฟนในอง้์อารมณ์เริ่ ม, ม, ม, ม, มจะชุนชุนใจของฉันมันวุ่นวายแ้นในไอที่ก็ผม้มีใจแล้วยังไงดีพอไม่มีใครแฟนที่เงียบก็ไม่รู้ทำไมถ้าไม่รักเราใจทำไงแล้วโอ๊ยฉันไม่มีอะไรไม่มีเงินทอง พไม่เอาอใจทำดีแทบตายใจมันแทบจะยากตอนนี้ก็วันก็วัยได้ไม่ตัวหลุมลักแ้ะไม่นสาวจริงหายใจของฉันมันน้ำจะชินแล้วเธอเพื่อนบอกให้พ่อกูพ่อรักมาตั้งนานๆานนาวิ่งมากกัไกลสุดท้ายไ ม, ม่มีเส้นชัยในจัดจน Show. Sure.